การทำความสงสบจิตสงบใจนี้เป็นการทําความดีที่ดีที่สุดหากใครยังไม่พร้อมก็ทําไม่ได้หรอกทําความสงสบจิตสงบใจภาวนาเนี่ยทําไม่ได้มันเป็นเรื่องของผู้ที่บุญบา ร, รมีถึงถ้าบุญบา ร, รมีไม่ถึงก็ทําไม่ได้ ที่ทำไม่ได้เนี่ยมีอยู่หลายตอนหลายช่วงหลายขณะมีเหตุอย่างอื่นมีกิจธุรอย่างอื่นมีความจําเป็นจะต้องไม่ให้ได้นั่งภาวนาจะต้องไม่ให้ได้ภาวนาจะต้องไม่ให้ได้เดินจงกรมไม่ให้ได้นนั่งสมาธิไม่ได้กําหนดจิตกำหนดใจมีธุระบางคนก็มีความจําเป็นเก็บให้ได้ป่วย บางคนไม่มีอะไรกนะ็เจ็บเขไม่เจ็บไข้เขไม่ไข้ป่วยก็ไม่ป่วยแต่ขี้คลานการอย่างนั้นก็เรียกว่ายัางเป็นผู้มีบา ร, รมีไม่ถึงนี่เพราะฉะนั้นการภาวนา น, นี่เป็นงานใหญ่เป็นงานที่บุคคลที่มีบุญบา ร, รมีถึงเท่านั้นจึงจะทําได้ดังนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสาคัญอยู่ให้คิดอยู่ เรามาเนี่ยตั้งใจจะมาภาวนางแหละพูดอย่างตรงตรงเลยทีเดียวมาภาวนามาวัดหินหมักเป้งเนี่ยเราได้ยินว่าท่านดีมีคุณธธรรมเนื่องจากการภาวนาเราอยากจะดีอย่างท่านก็บรรวควายมากระเวิยดกระตนมากันแต่เมื่อมาแล้วด้วยความคิด นึกของเราี่ว่ามันจะดีนะนะั่นแหละจะดีได้โดยเร็วทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เดินจงกรมเนะี่ยต้องดีได้เร็วเนื่องจากว่าได้อ่านหนังสืออ่านหนังสือของท่านอ่านพระธรรมเทศนาของท่านแล้วก็คิดเอานึกเอาว่าเดินแค่นี้มันจะไปะยากอะไรนังสือนี้มันจะไปะยากอะไร แต่เมื่อเวลามาถึงจริงๆแล้วการที่ได้อ่านมาความรู้ความเห็นในการที่ได้อ่านได้ยินได้ฟังมานะกับเรื่องที่จะมาทำจริงๆมันต่างกันหลายโยนดเหลือเกินต่างกันไปลิดอย่างเดินจงกรมก็ภาพเยนเดินนั่นบอกจะพาเดินจงกรมก็เดินจงกมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดินแล้วเดินอีก แล้วท่านบอกว่ามันจะเป็นนั่นเป็นอย่างนี้จิตจะสงบมีอาการอย่างนั้นอย่างนี้เนี๋ยจจ ต, ตัว ต, ต, ต, ตนเองได้อ่านมาอย่างนั้นะ่ะเดินเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นนั่งสมาธิมันกันนั่งจนเจ็บก้บนเจ็บแง่เจ็บตามหมดมันก็ไม่เป็นนั่นมันต่างกันเลื้อเกินกับที่ตนได้อ่านมาเมนนื่อไหร่ในที่จุตท้อแท้แล้วเนี่ยถอยถอยรูกเดียวถอยอย่างเดียวตัวนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะ เห็นว่าตอนแรกๆทำค่าทางดีั้งอกั้งใจดีแต่ทีหลังมาก็ค่อยๆถอยสูรไปถอยร่นไปร่นไปถอยสูกลับไปนู่นแหละไม่มีความยินดีในการที่จะประพฤติปฏิบัติภาวนาอันนี้แสดงให้เห็นถึงว่าบุญบารมียังไม่พอจริงๆทีแรกนะอยากมาอยู่หรอก มีบุญบรารมีอยู่อยากมาอยู่คิดเห็นว่ามันดีอยู่แต่มาแล้วน่ยเอาไม่ไหวความที่ไม่ใช่ไม่มีนะความดีเหล่านี้ไม่ใช่ไม่มีมีอยู่แต่ตนเองเอาไม่ไหว น, น, นั่นแหละความสามารถมันมีน้อยค ว, ความคลั่งความพร้อมมันมีน้อยความคลั่งพร้อมนี่ความคั่งพร้อมเห็นความดีเขาเรียกว่าบรารมี มันน้อยขันติก็น้อยวิริยะก็น้อยปัญญาก็น้อยอะไรอะไรมาก็น้อยทั้งนั้นแหละมันเลยไม่พออย่างได้เห็นว่าโอ้ยท่านมีคุณธรรมยิ่งใหญ่มากมายเนี่ยเยอะแยะแต่ภาชนะที่เราเอามาจาบัญทุกอย่างสมมุติว่าจะเป็นเพชรนินจินดากับสมบัติเนี่ย มันมีเยอะมากเราก็เอาสิงที่เราจะมาบรรจุเนี่ยเอามานิดเดียวออกจากฝ่องนิดเดียวแ้นั่นละมาบรรจุก็เลยได้เท่านั้นจะเอามากกว่านั้นไม่ได้เนี่ยเอามากกว่านั้นไม่ได้เดี๋ยวมันจะตายด้วยก่อนเดี๋ยวกนมันจะหักใช่ก่อนดเดี๋ยวหลังเอวมันจะหักใช่ก่อนแง้งขามันจะหักใช่ก่อนอไม่ได้ต้องเลิก อย่างเนี่ยเป็นลักษณะของบุญบรารมีน้อยแต่ครับน่อยไม่ใช่มีนะคุณธรรมดีๆคุณธรรมต่างๆที่ต่า ง, าง ก, กล่าวไว้ในหนังสือของหลวงปู่นั่นนะ่ะมีอยู่ครบถ้วนทุกประการอยู่ในนี้ละแต่เพียงว่าตนเองเอาไม่ได้อันนี้ไม่ว่ากันเนื่องจากว่าตัวก่ยตัวไก่เหมือนกินข้าวนี่แหละ ทำไมเธอกินไม่มากทำไมฉันกินมากทำไมฉันกินน้อยเธอกินมากไม่ต้องว่ากันเอาอิ่มใครอิ่มมันเอาอย่างนั้นก็แล้วกันทีนี้วันนี้เรามาพิจารณาพิจารณาร่างกายของเรานี่ลหละเพราะว่าเราไม่มีอะไรมากมายที่จะพิจารณาหรอกในชีวิตเนี่ย มีร่างกายของเรากับจิตใจเั่นั้นอะร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราใช้เวลาแทบจะทั้งหมดในชีวิตไปทำนุบมรุงไปขวัญขวายกับมันไปเอาใจใส่มากจนเกือบพัวชีวิตร่างกายแล้วก็ยังมีอีกส่วนที่จิตใจเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบกันทั้งสองส่วนแล้วเป็นคน แต่ไม่เคยได้รับความสนใจไม่ได้รับความเข้าอกเข้าใจแย่แสอะไรนี่นะเรามาพิจรนารณาอนี้กมาพิจารณาถึงร่างกายเรามีสองส่วนทัน้งนี้วันหนึ่งที่พวกเราไปคารวะตูบาอาจารยออ์ท่านอาจารย์คูนที่วัดคูดินท่านให้ธรรมะไว้บอกว่า เราเนี่ยมามีกายกับใจเนี่ยตื่นเข้าวทำนุบำรุงมันดีนะข้าก็ไปหาเข้าวหาปลาหาอาหารหาของดีๆมาให้มันกินเ น, ะมมนี่ยญาติโยมบางทีก็ตอนเย็นก็หามาให้มันกินบำรุงมันดีเส้นแข็งแข็งแรงมันบอกแล้วมันได้อะไรถ้าคนฉลาดหนึ่งพยายามนะ ร่างกายมันอยู่ได้แล้วเนี่ยพยายามเอาประโยชน์จากร่างกายให้มันได้นะซักประเดี๋ยวเขาเอาไปเผาทิ้งเปล่าๆนะนี่เราเลี้ยงมันดีแล้วเนี่ยเอาประโยชน์จากมันให้ได้เนี่ยเราลองมาพิจารณาดูดนะิจะเอาถ้อยคาที่ทานกาวนี้ก็ได้มาเป็นกำลังใจแก่พวกเรามาเป็นทิศทางที่เราจะทำเนี่ยเราจิตใจทำไมมันทอแท้ลางหนาข้าวก็กินแล้ว อะไรอะไรก็กินแล้วน้ำกกินแล้วยูยาถ้าเกิดมีจาเป็นต้องกินก็กิกนแล้ววิตามินวิตามินกินแล้วบำรุงแล้วแลพักผ่อนก็พักแล้วเนี่ยแล้วยังจะทำอะไระไม่ภาวนาไม่ภาวนาก็ปล่ อ, อยไว้อย่างนั้นเนะ่ยสักปรเดี๋ยวให้เขาหามเอาไปเผาทิ้งอะไดิแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรท่านบอกเลี้ยงให้โตแล้วเลี้ยงให้อยู่ดี เป็นศึกแล้วเนี่ยอย่าปล่อยให้เป็นสิ่งต่ำไปอยู่ให้เอาประโยชน์ให้ได้เอาไปภาวนาเอาไปเดินจงกรมเอาไปนั่งสมาธินี่นำมาพิจารณานี่ยครับเรานี่ก็อยู่ดีกินดีได้อยู่ดีแสบายแล้วร่างกายเนี่ยหมดภาระแล้วร่างกายต่อไปนี้ให้เอาร่างกายอเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้ได้น ใ้ประโยชน์ให้ได้เอาร่างกายมาใช้ประโยชน์เพื่จะปลุกใจถ้าเอาร่างกายมาใช้ประโยชน์แล้วมันได้ปลุกระาัอย่างหรอกเอามานั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่นานๆเจ็บเจ็บขาเจ็บเอวเจ็บตามข้อตามข้อเขา่านั่นมันเจ็บที่เข่าที่แข้งที่ขาเนี่ยใจเราไปอยู่ตรงนี้แรับรู้มันโอ้ มันเจ็บนอ้อตรงหัวเข่าเจ็บตรงแขงเจ็บตรงขาเจ็บตรงหลังเจ็บตรงเอวเนี่ยเราจะได้เอาใจนี่แหละมาดูมันนี่จะได้ประโยชน์แล้วจะได้ประโยชน์จากกายแล้วได้ประโยชน์จากมันว่าอย่างไงได้ประโยชน์ว่าอ๋เราเนี่ยให้การคทะมุบำรุงแกดีเลือกเกิน เราจะให้นั่งสักหน่อยพานั่งอยูนี่ให้จิตสงบสักหน่อยแกก็ไม่ค่อยจยอมถ้าไม่เอามากหรอกเลยวันหนึ่งยี่สี่ชั่วโมงก็เอานี่เดียวเท่านั้นแหะเอาชั่วโมงเดียวเอาสี่ชั่มาชั่เอาสามจีนาจีท่นี้แกก็เจ็บแกก็ปวดแกก็จะตายแกก็บอกไม่ยอมนะเราจะมารู้แล้ว ว่าเออแกนี่คนขันจะชี้อชอบไม่ได้ต้องทนเอาแกต้องทนจิตใจเรจะได้ตั้งมั่นไว้ต่อสู้เมื่อจิตใจได้ต่อสู้คือไม่ยอมมันมันจะเจ็บยังไงก็ไม่ยอมเจ็บงวเข่าก็ไม่ยอมเจ็บล้างก็ไม่ยอมเจ็บเทีวก็ยในเมื่อไม่ยอมเข้มแข็งยืนหยัดไว้เนี่ย ใจกันมีกําลังเขาเรียกว่าอะไรมีขันติมูลนะบา ร, รมีที่พูดในตอนต้นบอกว่าพวกที่ไ่ค่อยอยากจะทําดีต่อนั้นก็คือบุญบา ร, รมีน้อยนะถ้าได้มาทําอย่างนี้ได้มามันเจ็นยังไงก็ อ, อดก็ทนเนี่ยบุญบา ร, รมีอยากค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นอย่างนี้แหละมันเป็นวิธีที่จะเสริมจะสร้างบา ร, รมี เราเอากายนี่แหละที่เราบำรุงรักษาดีแล้วเอาเข่าปลาอาหารพิจมงสมินอะไรดีๆ ม, มาให้มันกินแล้วเนี่ยบำรุงแล้วมันดีแล้วเนี่ยเอาประโยชน์ด้วยการเอามาสร้างบา ร, รมีนี่เราจะได้ดีโลกครางนี้แหละทีนั้นวันนี้เราตั้งอดตั้งใจนั่งภาวนาไปนี่แหละฟังเทศของลงูกูไปด้วยร่างกายนี่นะ ได้ประโยชน์อย่างที่พูดขึ้นมาในตอนแรกนะว่าสร้างขันติบารามีกระได้แล้วเมื่อตั้งใจฟังเนี่เอาหูนี่แหะหูมาอยู่ส่วนร่างกายเอาหูฟังฟังเทศของหลวงปู่เนี่ยมันก็จะได้ปัญญาปัญญาบาลมีจะเกิดอะไรอะไรต่างๆจะเกิดบาลมีนี่ยนะจะเกิดในขณะขณะนี้แหละต่อไปนี้แหละเราใช้ร่างกายอนี้แหละ ให้มันเป็นประโยชน์เนี่ยที่ท่านครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้นะมันเป็นเรื่องที่แส้จะเป็นประโยชน์มากดีมากตรงมากที่สุดสงหรับพวกเราที่เป็นนักปฏิบัติให้เราคิดอันนี้นะวันนี้ร่างกายเนี่ยเราประพฤติประงมมาอย่างดีแล้วปฏิบัติมันมาอย่างดีแล้วต่อไันนี้เอาประโยชน์จากมันให้ได้เอามาเป็นเครื่องสำหรับสร้างบารมีของเรา อาต่อไปนี้นั่งภาวนาัน